อย่างพระอะไรนะพระจิตหัตถะในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันคิดว่ามือมีใจเหมือนมือเนี่ยนะบวชบวชเจครั้งศึกหกครั้งเนี่ยนะบวชครั้งที่7็ก็เลยบรรลุเนี่ยนะที่ที่เขบอกว่าจนมาขอบวชครั้งที่7เนี่ยพระจะไม่ให้บวชอ่ะบอกโอ๊ยหัวของท่านมันที่รับมีดโกนเน่ยมั่งเนี่ยนะบวชเลยนะก็เนื่ยแต่ว่าอ้อนวอนเข้าก็เลยบวชบวชก็บวชก็เลยอนุญาตให้บวชบวชครั้งที่7ก็บรรลุเป็นพระอรหันต ก็บอกว่าโดยกรรมในอดีตก็คือตอนมีอยู่ชาตินึ่งเห็นเพื่อนอยากสึกตัวแรกก็ห้ามตอนหลังเออนี่ถ้าเพื่อนศึกแหมบริหัรก็ตกถึงเราเสียสึกกไปแต่เพื่อนทํามาหากินนะดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงดูครอบครัวก็เพื่อนก็สึกสึกก็บริหารเสร็จตัวบริหารเสร็จก็เลยกรรมมันั้นก็ชาติสุดท้ายยังบวชบวชสึกสึกสึกหกครั้งบวครั้งที่เจ็ดจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นนะพระองค์ก็เล่าว่าอดีตชาติพระองค์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางชาติเนีนะ บัณฑิตจอบเฮี้ยนก็เป็นเหมือนกัน น, นะบวชหกครั้บวชเครั้งศึก6ครั้งเหมือนกันขนาดบวชแล้วได้ชาเนะียังศึกกลับไปทํานาศึกกลับไปแบบไปไ ป, ไปมีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ถังหนึ่งแค่นะั้นนะจอบอยู่อันหนึ่งสี่ใดอะไรอาอวุนเนี่ยนะพาะอยากปลูกนะนะเพราะฉะนั้นถึงเทศกาลก็ศึกไปเพาะไปปลูกพอหมดเทศกาลก็มาบวชนะเจริญชาตต่อพอได้เทศกาลทํานาก็ศึกไปทํานาต่อคล้ายๆแบบเนี้ย เครั้งครั้งที่เจ็ดก็เลยแกว่งจอบทิ้งกางไม่น้ําเลยหลับตาหลับหูหลับตาเลยนะตกตรงไหนก็ช่างมันอจอบตัวตายากาศกาดเนี่ยนะมัวอะไรอาวรนี่แหละศึกแล้วศึกเล่าอยู่นั่นแหละตอนหลังก็เจริญกระสินจนได้ฌานอันแต่ว่าไอ้กรรมในอดีตที่ยาวก็คือเนี่ยชักชวนคนอื่นให้ให้ศึกนั่นเองนะเคยชักชวนนั้นเกี่ยวกับเรื่องบทบทศึกๆึเนี่ยนะในศ า, าสนาเขาก็มีเรื่องเยอะได้อีกคนหนึ่งก็เหมือนกันเขาเป็นขอทาน ขอทานยากจนมีเสื้อผ้าเก่าๆกระรุ่มกระริ่งอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็มีไอ้กะลาอยู่อันหนึ่งมีไม้เท้าอันหนึ่งไว้ขอทานท่านดนไปเห็นเข้าบอกบวชเถอะท่านก็เลยบวชนนะบวะบวชพอบวชเข้าบวนมามันอยากสึกอะ่ะก็เลยเดินกลับนะกลับไปแต่งตัวชุดเดิมอีกไปเห็นเข้าโอ้ไม่ไหวลกลับมาไม่สึกละ วันหลังอีกสองวันอยากศึกเอง ก, ก็ไปด้วยผ้าชนะเก่าๆไอ้ผ้า ข, ดขาดๆอีกนั่นแหละเพราะศึกมันต้องกลับไปนุ่งตามเดิมนะเพราะตัวเองแขวนเอาไว้ก็เดินกลับไปกลับมาจนท้องแต่ทางมันเป็นร่องไปหมดเลยอ๋อไปปรึกษาอาจารย์เขากันเนหะมือนอาจารย์ใหญ่เลยนะถ้าศึกท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยบวชต่อไปได้ในที่สุดก็เป็นพระอารหันต์นะในที่สุดก็เป็นพระอารหรันต์มันก็โอุปนิสัยที่ที่เคยอดีตเคยชักชวนให้คนอื่นศึก หรือเกลียดกล่อมให้คนอื่นศึกษาลาเพศเป็นต้นอ่ะอัธยาศัยคําเหล่านั้นที่ไปพูดไปคุยเนี่ยทำให้ตัวเองไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นในตอนหลังเพราะคาพูดแต่ละอย่างที่เราจะพูดอะไรออกไปนี่ก็ใครควรให้มันรอบคอบซะก่อนว่าเบียดเ บ, บยตัวเองต่อไปในอนาคตตชาติหรือไม่นะี่นะมันคำแต่ละอย่างอาจจะดูดีเฉพาะหน้าแต่เดือดร้อนตอนปลายก็ได้นะนะศึกษาให้ดีๆ นี่พูดถึงเศรษฐีบุตรผู้นี้บวชแล้วก็สึกจนศึกสองครั้งพอถึงครั้งที่สามก็บวชอีกพอบวชแล้วก็บรรุเป็นพระประเจกอุทานพยากรคาถาในถ้ำกลางพระประเจกศึกสองครั้งบวชครั้งที่สามจึงบรรลุว่ากามาหิจิตรามัทุรามโนรมาวิรูปรป า, าวิรูปา ร, รูเปนะ มะเถณเตจิตตังอาทีนวังกามคูเนสุทิสวาเอโกเจเรคคฆาวิสานกัปโปแปลว่าก็กามทั้งหลายมีวิจิตมีรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่อมยีด้วยรูปแปลกแปลก็า ก, การทั้งหลายที่วิจิตนะอะไรจะมีวิความวิจิตลวดลายพิสดารเท่ากับโลกของวัตถุกรรมเหมงอนกัน แล้วก็มีรถอร่อยไหมครัว่าหน้าให้เพลิดเพลินหน้ายินดีเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเพราะงั้นพอสิ่งเหล่านี้ที่น่าชื่นใจน้าเพลิดเพ ล, เพลินก็ย่ายีจิต น, นะด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยก็ย่ายีจิตเรียกว่าวิธีอะไรนะโฆษณาชวนเชื่อล้วเรียกว่าอ่าล่อให้จิตไปติดให้จิตไปติดไปคล้องบุคคลเห็นโทษในการมาคุณทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรด คำว่ากามในที่นี้กามที่วิจิตเนี่ยมีอยู่2อย่างคือวัตถุกามที่วิจิตกับกิเลสกามภายในความเศร้ามองด้วยความด้วยความใคร่เนี่ยนะสอย่างนั้นทำทั้งหลายมีรูปที่น่ารักเป็นที่ข้องใจเป็นต้นเนี่ยนะรูปที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ชักใจให้กำหนัดรูปทั้งหลายเหล่านั้นสีเสียงกลี่นรสเป็นต้นเหล่านั้นอ่ะเป็นเรียกว่าวัตถุกามเพราะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ส่วนธรรมทั้งหลายประเภทแห่งราคะทุกชนิดเรียกว่ากิเลสกรรมตันหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปปัตนหาสัพทตันห า, ต, นหาตัวตันหาทุกอย่างเรียกว่ากิเลสกรรมในที่นี้คาว่ากรรมทั้งหลายที่มีรูปวิจิตมากมายหมายเอาวัตถุกรรมวัตถุกรรมที่วิจิตด้วยอำนาจแห่งประการละอย่างมีรูปเป็นต้นอย่างในรูปสมัยใหม่เนี่ยมันวิจิตพิสดารเนี่ยนะรูป เพราะว่าโลกของวัตถุกรรมที่วิจิตเนี่ยยุคนี้วิจิตที่สุดเนี่ยนะสมัยทุกวันเนี่ยเป็นสมัยที่รูปวัตถุกรรมวิจิตพิสดารที่สุดเลยนะจนแม้กระทั่งอะไรนะโลกก็อยู่ในจอสี่เหลี่ยมเนี่ยนะบางคนก็อยู่ได้จนจนตายคาจอนั่นแหละก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะบางคนเนี่ยวันวันหนึ่งก็เรียกว่าส่งอาหารไปทานที่นั่นแหละก็นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์อยู่นั่นน่ะเรียกว่าโลกอันกว้างใไกแต่ที่ไหนได้อยู่ในสายตาแคบๆมานะ มีสายตาอยู่กับโลกแคบๆโลกสี่เหลี่ยมกับคิดที่เหลือก็คิดเอาในใจตัวเองอะไรอย่างนะี้พันไม่ใช่น้อยบางคนก็ตายคาเนี่ยนะดูดูทีวีไปนจนชักตายก็มีนะบางคนก็ดูเล่นคอมถ้จนตายก็มีเล่นอินเทอร์เน็ตนะในโลกของพวกนี้มันวิจิตรพิสดารในโลกของการท่องเที่ยวโลกแห่งสีสันสารพัดอย่างที่มีอยู่ในโลกแล้วก็จริงเหล่านั้นเนะ่ยเป็นที่อริสอร่อยเพราะเป็นที่ยินดีของชาวโลกเป็นที่รื่นรมใจเพราะอะไร ทำไมจึงเรียกว่าเป็นที่รื่นรมใจเพราะยังใจของปุถุชนผู้เป็นคนเข่าไม่เห็นอริยสัจให้เพลิดเพลินบางทีก็บอกว่าพระองค์ตรัสว่าเหมือนอย่างว่าผู้ที่เข้าไปในสวนดอกไม้เพลิดเพลินยังไม่ทันอิ่มก็หมดเวลาฉันใดในโลกของวัตถุกรรมที่วิจิตพิสดารเมื่อท่องเที่ยวไปเป็นไปเพลิดเพลินไปเรียกว่าใกล้ตายแล้วก็ยังไม่รู้ตัว ยังไม่รู้ตัวว่าชีวิตเคลือบคลางใกล้เข้าไปสู่ความตายอย่างสมัยใหม่และสมัยใหม่ที่เรียกว่าวินาศกรรมโจรกรรมสมัยที่ก่อาการร้ายระบาดเนี่ยบางคนเนี่ยเพลิดเพลินจนตายเลยก็มีนะเพลิดเพลินเสร็จระเบิดตุ่มตายไปเลยเรว่าตายคาความเพลิดเพลินเหมือนสบายแต่การนึกถึงพบใหม่เขาจะไปอย่างไรนาะเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิรู วิรูปะรูเปนะความว่าด้วยรูปแปลกๆอธิบายว่าด้วยสภาพหลายอย่างจริงอยู่กามเหล่านั้นชื่อว่าวิจิตด้วยอํานาจแห่งรูปเป็นต้นชื่อว่ามีรูปแปลกๆด้วยสีเขียวเป็นต้นนะโดยเฉพาะสีในยุคนี้วิจิตพิสดารแม้รูปเป็นต้นก็พอใจด้วยรูปแปลกๆย่ายีจิตให้ใจนิติดข้องไม่ยินดีในบรรประชารูปที่วิจิตพิสดารทาให้ไม่ยินดีในสมถะและ วิปัสสนาเนี่ยนะไม่น้อมใจไปในสมถะและวิปัสสนาแม้แต่บวชเข้ามาบรรพชาเข้ามาก็ไม่ได้เรียนเพื่อสมถะวิปัสสนาก็เรียนเพื่อโลกของวัตถุกรรมนะเป็นวิชาความรู้ที่ส่งเสริมเพื่อวัตถุก ร, รมไม่ได้ส่งเสริมสมถะวิปัสสนาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสี่ยมสอนเขาบอกว่ากลัวจะไม่ทันชาวโลกเขาว่างั้นมาโอ้ยไม่ทันชาวโลกแนวะเดี๋ยวตกนระกขุมเบาก่าชาวโลกแนะ แต่เลยชักชวนกันเพลิดเพลินในโลกของวัตถุกา ร, รเรียนในโลกของวัตถุกา ร, รแต่ก็ไม่เห็นว่าประสบความสำเร็จตรงไหนทีนี้ย้อนกลับมาถึงโทษของกามเนี่ยนะที่ภาษารีบุตรแสดงไว้เนี่ยซึ่งไพเราะมากว่าที่เรียกว่ากามทั้งหลายอันวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมใจ ย่อมย่อมยีจิต ด, ด้วยอารมณ์มีชนิดต่างๆบุคคลเห็นโทษในการมาคุณทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อดแรกของเรานี่ก็ฟังไว้ก่อนยังออกไม่ได้ก็ฟังให้รู้ช่องทางไว้บ้างก็ยังดีก็บาบองั้นนะยังยังออกไม่ได้ยังโอ้เนี่ยนะนี่มีเวลามาสักวันอย่างเง้ยนะเขาปล่อยให้มาวันหนึ่งก็ดีใจแล้วนะรู้ช่องทางไวบ้างก็ดีมางั้นนะยุ่งขนาดนั้นเลยนะเขาบอกว่าโอ้ยเวลายังไม่มีเลยนะ คือพอจะแบ่งเวลาให้ได้อยู่สองอย่างคือเวลาป่วยกับเวลาตายพอจะแบ่งให้ได้เท่านั้นที่เหลือนี่แบ่งให้ไม่ได้เด็ดขาดว่างั้นโอ้ยสําคัญมากยิ่งใหญ่เหลือเกินโอ๊ยขาดเราไม่ได้หรอกเราต้องไปร่วมเสมอขาดเราแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราตายไม่เป็นไรป่วยก็ไม่เป็นไรเขาอยู่กันได้โอ้ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะที่สุดมันเห็นของใครอะไรซากอย่างเลยนะ สำคัญตานใดก็ช่างเถอะแต่พูดอย่างนี้ว่าให้รู้ว่าสาระที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรเพราะอะไรเพรามใช้ชีวิตคนละวันละยี่สี่ชั่วโมงเหมือนกันปีละสามิวันเออมสามอยหกวันเหมือนกันในรอบสิบสอปีในรอบมีชีวิตเท่าไหร่นั้นแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะก็เหลือน้อยเข้าไปทุกเท่านั้นนะวันเวลาผ่านไปเท่าใดชีวิตที่เหลือก็น้อยลงไปเท่านั้นเมื่อน้อยๆ อ, อย่างนี้เนี่ยนะมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วอะอะไรอะไร อะไรคือที่สําคัญเนี่ยอะไรคือสาระอะไรที่จะติดตัวไปได้นะดูสิ่งเหล่านั้นหลายๆเรื่องมันเอาไปไม่ได้หรอกมันก็หน้าเพลดิดเพลิน เ, เฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็เพลดิดเพลินเนี่ยมันก็หลอกตัวเองก็เหมือนกับอะไรนะอมอะไรสักอย่างที่มันมีรสหวานแต่ไม่อิ่มจริงอ่ะนะก็ดูเหมือนกับว่าแต่ว่าทางธรรมะท่านใช้คําหนักมากบอกเหมือนมาแทะกระดูกเขาว่างั้นทางธรรมะนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเหมือนร่างกระดูกว่างั้นนี่ย อธิบายว่าคำว่ากามหมายถึงวัตถุกลางกับกิเลสกลามคำว่าวิจิตคือวิจิตด้วยรูปสารพัดชนิดสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีผสมผสานสีสารพัด ส, สีในโลกของรูปกว็วิจิตเสียงนานาชนิดเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยในเครื่องเสียงที่มันวิจิตพิสดารเนี่ย กลิ่นนานาชนิดเนี่ยนะกลิ่นน้ำอบน้ำหอมสารพัดประเภทรสอร่อยอร่อยนานาชนิดสมัยใหม่เนี่ยเรียกว่าอาหารนานาชาติทรับกันนะอาหารนานาชาติรสนานาชาติเนี่ยนะก็เราจะทานอะไรละ่ะจะรสชาติไหนไม่ต้องเป็นจกักระพัดก็ได้ลิ้มรสอร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยแบบสมัยนะั้นแล้วจะไม่ให้ติดได้ยังไงใช่ไหมมีโพธาพนานาชนิดขนาดร้อนแดดเปรี้ยงทั้งนอกแต่ตัวเองเย็นสบายได้เนี่ยนะเหมือนมีบุญจริงๆเลยนะเหมือน คือไม่ได้เถียงว่าไม่มีบุญมีแต่ว่ามีนานหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งะนะเชื่อแล้วล่ะว่าเป็นผู้มีบุญที่ได้เสวยรูปที่น่าปราถนานะได้ดูเสียงที่น่าพอใจอ่านะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมณ์ทั้งหลายแต่ละอย่างน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินก็ก็อยางกระวะที่น่าเป็นห่วงก็คือเพลินจนหมดเวลานี่สิก็เลยลืมเก็บอริยทรัพย์ไปด้วยเนี่ยนะพบใหม่ก็เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะ เาบอชีวิตเนี่ยมันหมายความว่าบางพบเนี่ยบริบูรณ์เพียบพูนเพิ่มพูนเปียกเพียบพร้อมไปด้วยเบญจา ก, การมาคุณอีกพบหนึ่งก็แห้งแล้งหาน้ําจะดื่มหยดเดียวก็ไม่ได้เป็นต้นในโลกของวัตถุ ก, กรรมมันจึงไม่ได้ให้ความเอิบอิ่มให้ความสมบูรณ์พูนสุขตลอดเวลาอะไรที่ไหนร้อเรามาดูว่าในโลกนี้คนที่บริบูรณ์กับคนที่ขาดแคลนไหนมากกว่ากันเนี่ยนะ นั้นขาดแคลนเนี่ยนะปริมาณประชากรห้าพันกัล้านเนี่ยร่วมหกพันล้านคนเนี่ยคนที่อิ่มเนี่ยนะในในแต่ละมื้อเนี่ยสมมุติเอาเวลานี้เนี่ยนะคนที่ท้องพร่องกับคนท้องอิ่มไหนมากกว่ากันขณะนี้นะเวลาเดียวกันเนี่ยทั่วโลกนะคนที่ท้องพร่องมีมากกว่าแต่นะก็กำลังอาจจะด้วยเหตุผลใดไม่ได้รับประทานก็ช่างแต่ท้องพร่องมีมากกว่า คนที่กำลังเหงื่อท่วมตัวนี่มีมากกว่าสบายๆเนี่ยนะเพราะในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ว่าไอความวิจิตพิสดารที่บางท่านได้รับนี่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะเป็นของชั่วคราวถ้าบุญมันยังให้ผลอยู่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจก็มาบำบองบำเรอแต่ถ้าหมดบุญไปก็เดือดร้อนเนี่ยนะอย่าลืมว่าผลบุญมัน ก, ก็เหมือนกับใจที่เป็นบุญแหละมันก็ไม่ค่อยแน่เหมือนกันนั่นแหละเอา้าใจที่เป็นบุญแน่ไหม อยมันยากยากใจจะเป็นบุญเหมือนกันอา้าบุญมันยังเกิดยากแล้วผลบุญมันจะเกิดอย่างต่อเนื่องแบบแหม่มั่นคงตลอดไปไหมมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรจริงๆรหรอกแต่ว่าแมมในโลกท่ามกลางวิจิตของวัตถุกรามเนี่ยนะที่มันชวนให้ถึงความเพลิดเพลินกรามเหล่านั้นมีรสอร่อยอร่อยนี่แปลว่าอะไรแปลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย การมาคุณ5ประการคุณะตัวนั้นไม่ใช่แปลว่าคุณประโยชน์นะคุณะตัวนั้นเหมือนอันตะคุณังเนี่ยนะอันตะแปลว่าไส้คุณะตัวนั้นแปลว่ารัดที่รัดไส้เนี่ยนะที่มันยึดไส้รัดไส้อะเรียกว่าอันตะคุณังสายรัดไส้ที่ยึดไส้เอาไว้นะเหมือนกับว่าแต่ก็คือเกลียวที่มันขันให้ให้ไส้ไม่มีการขยับเคลื่อนถ้าไม่มีไอไอตัวรัดไส้ตัวนี้เนี่ย อย่างเช่นกระเพาะเนี่ยไม่รู้มันมันมันเวลามันบิดตัวนี่ไม่รู้ไส้มันจะพันกันขนาดไหนแต่ก็เนื่องจากมีตัวรับไส้ตัวยึดยึดน้ายึดลังยึดล้อมอะไรทั้งหลายเราเรียกว่าอันตะคู่นางอันตะคู่นางไม่ใช่ไส้เล็กแบบแบบทางโลกไส้เล็กเนี่ยคำว่าอันตังเนี่ยก็คือไส้ตั้งหลุมคอจนถึงทวารนักอันนี้เรียกว่าไส้อันตังหมดเลยอันตะคู่นางก็คือตัวที่ยึดไส้อะนะยู่ยึดตามที่ต่างๆไม่ให้เช่นกระเพาะกระเพาะก็นับเนื่องในไส้ทําให้กระเพาะไม่รอยรวนไม่ให้มันอยู่ได้นี่ัง